กันที่สิมาตรามีสิขาบทบางข้อเนื่องด้วยมาตราบางอย่างรวมกันเข้าแล้วเนื่องด้วยมาตราเกือบทุกอย่างสมควรจะกล่าวมาตราไว้ในที่นี้ด้วยกิริยากาหนดประมาณเรียกมาตราแจกออกเป็นประเภทโดยเฉพาะต้องการในที่นี้เป็น5คือมาตราเวลาหนึ่งมาตราวัดหนึ่งมาตราตัวหนึ่ง มาตราช่างหนึ่งมาตรารูปียะหนึ่งวิธีนับมาตราเหล่านี้ในคำภีร์ทั้งหลายกล่าวแผกเพี้ยนกันก็มียิ่งแก้ละเอียดก็ยิ่งฟันเฟือข้าพเจ้าจักแสดงในที่นี้พอควรแก่ต้องการเท่านั้นมาตราเวลาหลักแห่งมาตรากำหนดเอาการเวียนแห่งพระอาทิตย์รอบโลกครั้งหนึ่งเป็นหนึ่งวัน นับตั้งแต่เห็นแสงอาทิตย์เรื่อเรือซึ่งเรียกว่าอารุณมีทั้งวิธีกระจายออกและวิธีพนวกเข้าจะกล่าวเฉพาะวิธีหลังกำหนดตามโคโจรแห่งพระจันทร์ดังนี้15วันบ้าง14วันบ้างเป็น1ปัก2ปักเป็น1เดือนสเดือนเป็น1ฤดูสฤ ด, ดูเป็น1ปี พึงรู้อธิบายดังนี้พระจันโคโจร ร, รอบโลกหนึ่งหนใน29วันครึ่งจะนับ29วันเป็นเดือนก็จะหย่อนไปจะนับ30วันเป็นเดือนก็ยิ่งไปจึงต้องนับ59วันเป็นสองเดือนแล้วแบ่งเดือนหนึ่งให้มี30วันอีกเดือนให้มี29วัน เพระเหตุนั้นปากหนึ่งจึงมี15้าวันบ้าง14วันบ้างในชั่วพระจันท ร, ร์โคจรรอบโลกนั้นถึงจั ก, กราสีห่างจากพระอาทิตย์ออกเพียงใดก็ยิ่งสว่างขึ้นเพียงนั้นจนแลเห็นสว่างเต็มดวงเรียกว่าพระจันทร์เพ็ครวันที่พระจันทร์สว่างเต็มดวงนั้นเรียกว่าวันปุรณมีหรือวันเพ็ค ปากที่พระจันทร์โคโจรห่างจากพระอาทิตย์นั้นเรียกสุกรลปักแปลว่าซิกสว่างตั้งแต่วันปุรณมีไปพระจันทร์โคโจรเข้าหาพระอาทิตย์ทุกทีรัศมีค่อยมืดเข้าจนรับแลไม่เห็นดวงเรียกว่าพระจันทร์ดับวันที่พระจันทร์ดับนั้นเรียกว่าวันอมาวสีแปลว่า ดีถีเป็นที่อยู่ร่วมแห่งพระทิต์และพระจันทร์หรือเรียกว่าวันดับปักที่พระจันทร์โคจรเข้าหาพระทิ์นั้นเรียกกาลปักแปลว่าซิกมืดสองปักนั้นนับเป็นหนึ่งเดือนเดือนนั้นตั้งชื่อตามดาวฤกษ์ที่ว่าพระจันทร์โคจรถึงวันเพนเวลาเที่ยงคืนดังนี้ มาคาเีรมาศเดือนหนึ่งเดือนอายปุสมมาศเดือนสองเดือนยี่มาคมาศเดือน3ภคุณามาศเดือน4จิตตมาศเดือน5เวสาขมาศเดือน6เชิดธรมาศเดือน7อาสาแลหมาศเดือน8สาวนามาศเดือน9กพัฒนประดามาศเดือนสิบ อัสยุชมาดหรือปฐมกติกมาดเดือน11กติกมาดเดือน12เดือนอะไรมีวัน30เดือนอะไรมีวัน29และวันขาดตกอยู่ในปากอะไรนั้นไม่ปรากฏในบาลีครั้นอธกถาจัดเดือนขาดมี29วันเดือนท่วนมี30วันอย่างละหนึ่งเดือน แต่ไม่ได้ความชัดว่าวางสลับกันเหมือนที่เคยใช้ในเมืองเราในฝ่ายจีนมีเดือนขาดเดือนทวนเหมือนกันแต่ไม่วางสลับเป็นแต่ปีหนึ่งคงมีเดือนขาดหกเดือนเท่ากันครั้นพุทธกาลหรือครั้งรัชนาพระบาลีนับกาลปักเป็นต้นเดือนสุกาลปักเป็นปลายเดือนตลอดมาถึงพุทธศพ 1,200 ปีล่วงไปแล้วดังปรากฏในระยะทางของภิกษุจีนชื่อหวนฉางผู้ไปชมพุทวีปคงเปลี่ยนนับข้างขึ้นเป็นต้นเดือนเมื่อโหราศาสตร์เจริญขึ้นในประเทศเรานับข้างขึ้นเป็นต้นเดือนวันจึงล้ากว่ายุคบาลีปักหนึ่งเช่นขึ้นเดือนอ้ายของเราเป็นเดือนมาคัศเสระ มาได้ปักหนึ่งแล้ววันขาดน่าจะเห็นว่าตกในปักปลายเดือนแต่ในบาลีกล่าววันปรวรณาไว้ทั้งวันที่14ทั้งวันที่15ถ้าวางเดือนขาดเดือนถ่วนสลับกันอย่างใช้ในเมืองเราอย่างก่อนวันปรวรณาคงมีแต่วันที่14อย่างหลังคงมีแต่ในวันที่15บาบางทีการนับปักจะมีวิธีอย่างดื่นกระมัง เช่นวางเดือนขาดไม่สลับกับเดือนท่วนหรือเพ่งวันปวารณาที่ชัดลากออกไปอีกปักหนึ่งด้วยเช่นในแรมเดือน11ตามอย่างใช้ในเมืองเราวันปวารณานั้นเป็นวันที่14ฤดู3มีชื่ออย่างนี้ 1. เฮมันต่ฤดูฤดูหนาว ตั้งต้นแต่เดือนมาคาเสียระคือแรมหนึ่งค่ำเดือน12ของเรา 2. คิมหะฤดูฤดูร้อนตั้งแต่เดือนจิตตะคือแรมหนึ่งค่ำเดือน4ี่ของเรา 3. วัฏ ส, สานะฤดูฤดูฝนตั้งต้นแต่เดือนสาวนาันะคือแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของเราขึ้นต้นปี เมื่อถึงเดือนมาค่าเสียร่ต้นฤดูหนาวไม่ได้นับศกเป็นแต่สังเกต ร, รุดรูฝนเช่นอุปสมบทล่วงฤดูฝนได้เท่าใดก็นับว่าได้เท่านั้นฝนคือพันษานับการตามลำพังจันทรกติไม่ได้เพราะความเป็นไปแห่งธรรมดาเช่นฝนชุกแห้งผากผลไม้เพล็ด อิงสุริยะคติทั้งนั้นถ้านับตามจันทรคติเสมอไปฝนตกก็ดีวายฝนก็ดีผลไม้เพ็ดก็ดีย่อมจะโยะไม่ตงรงฤดูเพราะฉะนั้นจึงต้องนับจันทรคติให้อิงสุริยะคติด้วยพระจันโคโจรได้12รอบจัดว่าปีหนึ่งคือ12เดือนได้วัน354วัน ราทิศโคโจรหนึ่งรอบจัดว่า1ปีได้วัน365วัน6นาฬิกาเศษผิดกัน11วันเศษ3ปีเหลื่อมกันกว่าเดือนเพื่อจะไม่ให้คลื่นคลาดกันมากไปจึงต้องเติมเดือนพระจันทร์ขึ้น1เดือนในปีที่3บ้างที่สองบ้างรวมเป็น13เดือนเดือนที่เติมขึ้นนี้เรียก อธิกรรมาตในรอบหนึ่งคือ19ปีคงเติมอธิกรมาต7ครั้งข้อนี้มีมาแล้วครั้งพุทธกาลที่ทรงพระอนุญาตให้เลื่อนวันเข้าพรรษาออกไปอีกเดือนหนึ่งอนุมัติตามจารีตในกรุงราชเครืออธิกรรมานั้นเพิ่มในเดือนที่เศษวันครบเหมือนอย่างจีนหรือเพิ่มที่ท้ายฤดูร้อนเสมอไป เหมือนอย่างในประเทศเราไม่ปรากฏมาตรานับเวลาเนื่องในสิกขาบทมีในดังนี้